ต่ออีกพวกเราออกบัวดจากเรือนมีชทธาให้เกี่ยวข้องด้วยบ้านด้วยเรือนแล้วเีอคีบจิกขาและทำเป็นเครื่องเลี่ยงชีวิตของพวกเราทั้งหลายไม่เปิ่มานเจ้านา แล้วก็ทำนาเป็นอาชีพเขาก็ขยันเอาล่าชาวสวนขออกค้า <c oughs> แล้วก็ขยันจนเลี้ยงชีวิตได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้มั่นใจในการชีวิตของเขานี่ก็คืออาชีพต้าเรอกวามมีอาชีพ สิขาธรรมก็มีวิธีธรรมเจ้านาก็มีพิธีธรรมมีจบมีเสียมมีแผ่นดินมีมีดเจ้ามุ่งหวงว่าอาศัยแผ่นดินอาศัยมีดอาศัยจบเสียมเครื่องมือเครื่อง ไปทำให้มันเกิดขึ้นมาจนมีใช่มีายกินอะไรทำสิ่งนั้นใช้อะไรทำสิ่งนั้นมีสิ่งที่เรากินมีสิ่งที่เราใช้่ากระมะ ถ้าสิ่งที่เราใช้ไม่มีสิ่งที่เรากินไม่มีมันก็ถือว่าจ น, นาอ๋อคนอื่นเขาชีวิตของเราที่เราที่ก่อและทาเป็นคือเรื่องชีวิตนี่เร้มีเครื่องมือเหมือนกันมีความเพียร เหมือนที่หลวงปสอนถ้าผสมรัสปะหังทำอย่างไยงก็ไม่ไม่ง่ายไม่ยากบุกคคลผู้เกียดข้านก็หาทรัพย์ไม่ค่อยได้คนขยันก็หาทรัพย์ได้ เคร ม, มีชีวิตนี่ถ้าเราขยันก็มีชีวิตได้หาได้มีสติมีสัมปชัญญะเอาไว้ก่อนเหมือนเครื่องมือแาวนาฝนตกจอบขึ้นบ่าแล้วเฉียมขึ้นบ่าแล้วมือจบจบ จ, บ, จบเฉียมแล้วว ถ้าฝนตกคิดเห็นอะไรเด่ดออกคิดเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์ถ้าเราชาวนาชาวไร่ไม่ช้าไหวมือไหวเท้าเข้าไปเจือบจะเดินไม่ได้ถ้าฝนตกต้องวิ่งล ง, ท, งทุ่งล่าทุ่งไล่ของตน ชาวนาก็ต้องวัยแบบชาวนาชาวสวนก็ต้องไหวแบบชาวสวนพ่อค้าต้องไห ว, แบบ ว, วแบบพ่อค้าต้องลองในชีพสิขาได้ตําต้องไหวตอมีหลงก็รู้ไหวไหวพอมีทุกข์ก็รู้ไหวไพวพอมีโกรธก็รู้ไหวไหวให้วันทันเวลามันจะเสียสูนเปล่า นั้นชานาฝนตกก็ไหวถอยปิดทั้งหนาทา้งไล่ให้น้ําไหลเข้านาถ้ า, ม, ามันท่วมก็เปิดออกเราทุกเสียงว่าเราไม่มีกลมลู่หาไวไัวัประกอบไวไัยวัให้มันทันเวลาถ้าทุกถึงเป็นทุกเป็นวิบากเปนนนกน็นกิเลสนั่นก็นั่นก็หดแห้งไปแล้วแทนที่จะได้ก็เลยไม่ได้ มั้นชาวนาไววมือก็ได้พืดได้ต้นก้าขนตกปองเห็นต้นก้าต้นข้าวต้นฟ้ายต้นแตงของอยู่ของกินต้องหลุมเสร็จแล้วคนได้ชาก็ไม่ได้ลงหลุมลงดินเลยโอ้แต่โอ้เออยู่บบรานท่านว่าสิบต้น สิบต้นล่าไม่เท่าห้าต้นปีใครปลูกอะไรล่าสิบต้นไม่เท่าห้าต้นที่ปลูกต้นปีครึ่งโตครึ่งยีสต์ของเมันครึ่งโตครึ่งยีสตมีกายมีมีขามีแขนมีมือเหมืนกันแต่มันครึ่งโตครึ่งไม่ทันเขา คมหลงหลงเสียแล้วความทุกข์ทุกข์เสียแล้วคมโกรธโกรธเสียแล้วคนอื่นก็ไม่หลงก็ไม่ทุกข์แล้วไม่ทันเขาอาชีพของเราก็คือจนจนทุกข์คนโกรธคนโลกคนหลงคือคนจนแล้วไม่มีอาชีพไม่ทําอาชีพแล้วก็ที่บอกเป็นไปอย่างนั้น เคยกินอย่างนั้นง่ายี่หลงง่ายจะทุกง่ายจะโกรธพอใจไม่พอใจก็ไม่เคยไม่ชำนาญในการประกอบอาชีพเรื่องนี้เราจึงมีกรรมาฐานในความเพียรทำได้ทุกโอกาสสำหรับเรื่องนี้ให้มันมีมาก เหมือนกับเราทํางานมีสติที่ใดมันก็มจะอิม่มไม่หิวนั้นเราทําทนาทําไรมีเอิบขยันก็ได้เข้าไม่รู้จะหิวเป็นชอบมีสติก็อิม่มไม่รู้จะหิวจนไม่เป็นอะไรกับอะไรคืออิม่มคือได้ชีวิต ชีวิตมันไม่เป็นอะไรกับอะไรก็ยังเป็นโน่นเป็นนี่ไม่ใช่ชีวิตเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ชีวิตพอใจไม่พอใจก็ไม่ใช่ชีวิตชีวิตจริงๆไม่เป็นอะไรงั้นเราจรึงเข้าอิม่มมันก็ไม่ต้องหิวคนที่หิวแสดงว่าไม่อิม่ม ไม่มีอะไรจีนเพราะช่อเกียที่ี้คันหลงก็เลยเป็นหลงตอนชื่อเกียดทุก็เป็นทุกโกรธเป็นโกรธดีใจเสียใจหรือว่าไม่มีไม่มีไม่มีอะไรใช่อะไร ก็เป็นไปตามัะนั้นหลงก็เป็นหลงทุกก็เป็นทุกโกรธก็เป็นโกรธนั่นเรว่าจนรู้จักว่าถตงจนไปเขาไม่หลงกันเขาไม่ทุกข์กันเขาไม่โกรธกันจนอิ่มแล้วนี่คือชีวิตชีวิตมันไม่เป็นอันลายกับอลายถ้ายังเป็นอยู่เสยงว่าไม่ไม่ได้ชีวิต ถ้ายังเป็นโน่นเป็นนี่ค็มีเกิดมีแจ็มีเจ็บมีตายถ้ามันไม่เป็นอะไรก็ไม่มีเกิดมีเจ็มีเจ็บมีตายเราจึงมาลู่สึกตัวลู่สึกตัวตามวิชากรรมฐานลู่ที่หนึ่งมืนกับมืนกับจินข้าวก็ว่าได้ มันเราหิวเราก็กินข้าว <c oughs> ความอิ่มมันเกิดจากการกินไม่ใช่เกิดจากความคิดสิด่งเลือที่กินข้าวเกาอกเหรงกละลาหารเขียวลงไปเกินลงไปไม่ต้องไปคิดไม่ใช่ไปหาเหตุท้าผลขณะที่กินข้าวเป็นกรรมเป็นการ ก, กระทามันก็เกิดความอิ่ม เมื่เหมือนอ่มมันก็บอกมันอิ่มมันเป็นยังไงมันก็ไม่มีคำถาม <c oughs> อธิบายความบีบให้กันฟังไม่ได้ตัวอิ่ก็ต้องรู้เองคนเดียวปิจัดตังชีวิตที่ไม่เป็นอะไรเหมือนกินข้าวอิม่มเมื่อเหมือนอิ่มแล้วมันจะไม่หิวนั่นแหละนี่ก็เป็นประโยชน์ ต่อสุขภาพร่างกายต่อชีวิตในเลือดในเนื้อตัวไม่เป็นอะไรมันเป็นทั้งหม ด, หมดเป็นทั้งศีลเป็นทั้งมรรคเป็นทั้งผ ล, ผลเป็นทั้งบุญกุศลแล้วก็ทำอะไรได้ไดคนที่อิม่มคนที่อิ่มก็ไม่เกียดค้านนะนะคนหิวต่างหากทำอะไรไม่ได้ นั่งงอมือขอก็อจะให้ก็พอได้กินถ้าใครไม่ให้ก็ไม่ได้กินต้องมีวิธีทา ม, มอุทิศเปตบรบาชิตูไปชีวีเปิดอาศัยอุทิศส่วนมุกสนให้เป็นหวังหน้าบ่วหน้าไม่เชียงจัง ต้องเป็นการสัมผัสปฏิบัติธรรมเป็นปัจจตังต่ อ, อรูผวก็ไม่หล ง, ลงน่าจะขยันขณที่เราไมนอิ่มเนี่ยไม่เป็นไรกับอะไรก็ทำทำประโยชน์นี่ยกสได้ทองอะไรเยอะแยะเช่นคนมีทรับสมบัติก็มีไร้ทำเยอะแยะ เราได้ใช้ได้สอยทุกวันนี่ได้อยู่ได้กินทุกวันนี่ก็มีคนมีนมอมอิม่มเขาให้เราใช้ให้ข้าวให้น้าให้ที่อยู่อสอยให้เครื่องนองหอมห่มให้ยารักษาโลกหวังใช้มันก็ไม่ได้ไม่ได้จากคนที่จนชีวิตของเรที่ไม่เป็นอะไรมันก็มีจะให้คนอื่นคนอื่นไปเช่นพระเจ้าของเราเนี่ยเมื่อพระองค์อิ่มแล้วทำมาลาย สิบหปีพงษ์ทำอะไรวันหนึ่งพุทธกิจเกิดขึ้นแก่พง5์ห้าประการคือคนอิม่มอะไรคิเกี่ยวชที่ข้านในความอิ่มของคือมีชีวิตชีวิตมันก็มีประโยชน์ไม่ไม่มีโทษเพื่อเห็นประโยชน์ก็เช้นคนอื่นนั้นบงบอก เห็นิ่งเงินวัตถุอื่นที่มันจะเกิดประโยชน์ทั้งหมดแผ่นดินแม่นะ้ำป่าไม้อากาศศาสาหลาสิ่งเป็นประโยชน์่อคนหิมแล้วไม่ใช่นอนอยู่เฉยๆมาสาวกพระอาหารหันต์ทั้งหลายลโศนาพระอุตละข้ามทะเล ข, ข้ามน้ำมาถึง สวนภูมิประเทศไทยถ้าคนอิม่มเป็นพระทหารควเห็นท่าเทละไปอยู่ศีรกาไปคนละทิศระทางก้ า, าสายเพราะความอิม่มของชีวิตของคนสมัยสองพันปีกว่าเกือบสองพันปีมาแล้วเราก็อยู่ได้เพราะคนอิม่มคือมี ชีวิตก็จะแบ่งปันกันได้นะเออมัก็ค่ว <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นอย่างนั้นลองชีวิตไหนช่วยตัวเองก็ไม่ได้แต่ช่วยวเองไม่ได้ก็ช่วยคนอื่นได้ยากอาจจะไม่ได้เเลยน้ำใจก็หงดแง้งที่จะคิดถึงความดีหาได้ยากไม่เจาเจ้าลัดออกเตรียบ เป็นอันตรายต่อสังคมเนี่ยจึงมาพึกอันพวกเรามาพึกกรรมฐานอยู่ได้พึกหล่มาอยู่วัดวาลามีสถานที่มีเพื่อนมีมิตรมีประเพณีมีศิลธรรมวัฒนธรรมของคนไทยอมนววให้เราได้ทำประโยชน์นี่มากที่สุดคนอยู่วัดเป็นคนมีศักษศรี พ่อแม่บออยู่ว่าลูกเต้าก็มีศักดิ์ศรียิ่งมีการบวชไอเป็นพ่อพระแม่พระก็ยังมีเสียดมีศักดิ์ศรีได้ลูกเป็นพระได้แม่เป็นพระก็ยิ่งดีใหญ่อย่างพระสารีบุเนี่ยมีน้องชายเท่าไ ห, ร, าหาไร่เอามามวดหมดเอาเจ้ามีอะไรเอามาบวชหมดเดี๋ยวโทรนะสนอ ราหุนก็มาบวชอานุทักษ์ออกมาบวชอานุนออกมาบวชแล้วก็งานทะาออกมาบวชเห็นประโยชน์จนพระสุทตุพเจ้าทูลท้าขอร้องจะทำเรื่องนั้นเถอะ อย่าทำจนนั่นแหพ่อขอร้องพ่อเป็นทุกข์เสีย้าออกบวดแล้วหวังเครื่องเราหงุดเพื่อให้สืบสกุลต้องเอาเราหงุดไปบวชพ่อก็เสียใจยนันทาก็วหวังเพื่ง น, นันทาอีกนันท่าตขึ้นมาก็ไปบวชพ่อก็เสียใจย อานอนาหวังจะให้ึืบสกุลเอาไปบวชอีกพก่อก็เสียใจนุรุธาโดพี่โรกน้องหวังเป็นเจ้าจากาักรพรรดิแทนก็เอาไปบวชพ่อก็เสี ย, จยใจกาจะบวชกุลบวรลูกหลานใครให้ขอญาตจากพ่อจากแม่ก่อนเถอะ เจ้าก็เลยเอามาเป็นวินัยอนิจโตสิมาตาปิตุหีถามเสียก่อนเวลาจังหวัดก็แม่อิยาตหรือยังเจ้าหน้าก็ตอว่าอามาวันเตอุญาตแล้วอนิะโตสิมาติตุหีอาญาอาถามไป ถามไปหมดเอามาพันเตเอามาพันเตเอาย่าไปแล้วผ่านมาแล้วเจงบวชให้หันขวยเรื่องนี้เราหวนบวชเป็นเอตตะคะในการศึกษาเลืดอนุนเลิศอนุนท่าก็เลิศนันทาก็เลิศ มีแต่เลือดเตตะทะทั้าทางมันนี่เลยว่าศักษีเราได้อ่านพุทธประวัติดูเราก็โอ้ศรัทธาเราเป็นอย่างติดชีวิตจิตใจบางทั้งแต่เป็นเด็กเรียนหนังสือพุทธประวัติอ่านคำสอนพทธเจ้าเอามาใช้ ประกอบอาชีพไม่มีพ่อะอกมาสอนตัวเองก็มีประโยชน์เอาตัวรอดได้นี่เรามันน่าจะทิ้งเป็นไหนชีวิตเราเนี่ยอันเดียวแท้ๆสูตรมันอันเดียวกันมีสติมันก็ไม่หลงตรงกันข้ามเมื่อไม่หลงก็ไม่โกรธเมื่อก็มาไม่ทุกข์ ไม่ทำให้ตนนี้เดือดร้อนทำคนเดือดร้อนเป็นประโยชน์สามารถเป็นแบบของคนดีได้เป็นพิมพ์ของคนดีเราจึงมาฝึกกรรมาฐานยิ่งตรงที่เดียวนะเป็นทางตรงไปเลยนะแล้วก็มีอยู่จริง กรรมฐ า, านก็มีจริงกายก็ไม่จริงเวทนาก็ไม่จริงจิตก็ไม่จริงตรรมก็ไมจ่จริงเจอเข้าเรื่องนี้จริงจริงเห็นมันก็เจอคืจริงมีอะไรกเกิดขึ้นอะไรกายใจในชีวิตเราเจอทุกอย่างมันไม่ลบไม่ลืมหมอแสดงให้เราเห็นนี่มันคืออะไร ถ้าเรามีตามีสติมีการศึกษาไม่ปล่อยทิ้งเช่นคนมีการศึกษาใช้อะไรใช้ยาสมุนไพรเห็นต้นยาแ่บ น, นี้มีประโยชน์เรามาปลูกเอามาช่างไม้ให้คนได้อยู่ได้กินนมี ชนธรรมะการชนธรกรร ม, ม, รรมสาปัษาปณิกมองอะไรก็เห็นลูกจักใช้ใจกายใช่ใจถูกต้องที่สุดใจชีวิตถูกต้องใ้เหตุปัจจัยใช่วัตถุจึงของถูกต้องมีรถก็ใช่รถเป็นมีมีดก็ใช่มีดเป็นมีเสียงก็ใช่เสียงเป็นมีจอบใช่จอบเป็นอะไรที่มันใช่ เห็นต้นไม้เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นถือเป็นเสาเห็นไม้งอเอามาทําคาทําไถทําแบกเห็นต้นไม้ต้นไหนที่เป็นเชือกเป็นปอลอกมาทาเชือกผูกวัวผูกควอยเห็นผักที่มันกินได้เก็บมาเห็นเห็ดที่มันกินได้เก็บมามันก็เป็นมาอยู่ถ้ามีความรู้มีการศึกษาชีวิตของเรามันประเสริฐที่สุด มันหลงใช่ไมมได้เอาความไม่หลงมามีชิติมันโกรธใช้ไม่ได้เอาความไม่โกรธใช่ไปต้อง<ป>มีอนุสงแบบนี้เชื่อมัน่นในการใช้ชีวิตของนักธรรมะไปทาไหนมันเรียบเรียบไม่หวั่นไหวเป็นคนแก้วกล้าตลอดเวลาองอาจอยู่ในที่ทุกแห่ง ถ้าไมมีศีลไม่ทำไม่สติไม่เก้อเขินไม่มีปมด้อยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่จะทุกส์จทือนเพราะมีสติไม่ปัญญาในเรื่องชีวิตสรุป แ, แล้วชีวิตอันเดียวกันหมดถ้าพูดถึงคุณค่าของชีวิตแล้วอันเดียวกันหมดแล้วพูดถึงการ ศึกษานอกจากชีวิตอาจจะต่างกันอยู่แต่ชีวิตจริงๆที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อพระนิพพานอันเดียวกันนี่กายมีใจนีสติมีความไม่หลงมีความปกติจนไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่หวั่นไหวในทิศทั้งปวงฝึกเอาไว้หัดเอาไว้ มันต้องมีแน่นอนไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไ ม, ม, ม่ตายแต่กไ็ไหวแล้วก็ถึงที่มันเกิดมันก็เห็นอยู่มาให้เราเห็นนี่คือความไม่เที่ยงนี่คือสตินี่คือหลงนี่คือทุกนี่คือไม่ทุกนี่คือความง่วงอาหา้นอนนี่คือความคิดลังเลสงสัย นี่ความคิดพุ่งซ้อนนี่คือราคา้าอายุบาดถี่นามิทะงโอโงนอนมันฉายให้เราเห็นมันทีมันติดติดมาทุกซนอะไรมาก็ติดเรื่องนั้นจะลิดราค้าจะลิดออกนั่งออกตากโตใสจะลิด ความโกฏิของน้า อ, อตาโม้โหจะดีดความดุงโง่น้าออตาโ <c oughs> ชว์ไม่มีความรู้ก็มไม่ได้โชว์นี่ตะเขามาตั้งเวทีโชว์ในชีวิของเราสิบชาติก็ยังโชว์อยู่สิบปีห้าสิบปีร้อยปีก็โชว์ถึละนี้จนตายบางคนจะตายแล้วยังโกรธนวลเวาไปใกล้ไม่ได้ แล้วเข้าใกล้ก็ต้องกรอบต้องขานเข้าไปโอยจะดา่าคอยจะว่าอยู่ก็มีมันมีโทสะจลิตจิตแปลงอะกับเศรหมองทุกขาปฏิปทาจิตเตจังกะลิเถ ท, ทุกขติปฏิกังขะเมื่อจิตมันเสร้หมองทุกขติกีพบกีชาติก็ไม่รู้ นันแต่จะตายยังทุกข์อยู่ยังหลงอยู่เนาะนันจะมีค่าอะไรเกิดมาลูกก็มีเมียก็มีชอบสินก็มีอะไรมาใช้ได้เอามาแช่ทุกข์ก็ใช่มาได้ไม่ใช่เพื่อทุกข์แต่ชีวิตเราเนี่ยอันต้องไม่เป็นอะไรเสือดอยไปใช่ชีวิตอยู่ที่ไหนปล่อยตัวยังหลงอยู่ทุกอยู่โกรอยู่ นราจึงมีสติเนี่ยมันจะไม่เป็นอะไรกับอะไรเป็นชีวิตรุ่นล้วนแล้วเนี่ยไม่หวั่นไหวในทิศทั้งปวงเห็นมันมาให้เราเห็นเห็นรูปเห็นนามเป็นธรรมชาติของรูปเห็นธรรมชาติของนามตามความเป็นจริงแต่ก่อนเรียกว่าฉุกเรียกว่าทุกภาษาบาลีเรียกว่าเวทนา สุกเวทนาทุกกเวทนาถ้าเห็นรูปเห็นนามละจิตว่าอาการไม่ใช่สุกไม่ใช่ทุกเป็นอาการขอคุณมันมันร้อนมันหนาวมันหิวมันปวดมันเมื่อยขอคุณมันถ้ามันไม่มีมันก็อยู่ไม่ได้มันเป็นสัญญาณภัยของมันที่ว่ารูปว่านามนี้เกี่ยวข้องกับมันถูกต้อง ไม่สติไม่ปัญญาไม่เอามานสุขไม่เอามาทุกข์เป็นอาการผิวผิวเผลิอตกอยู่ในความไม่เที่ยงรูปนามนี่ความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนรูปนามนี้ยึดถือไม่ได้ไม่ใช่ตัวใช่ตัวหนอลายมันมันเป็นใหญ่ในความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์เป็นใหญ่ในรูปความไม่ใช่ตัวตนเป็นใหญ่ในรูปในานานี้บอกหลอนี่มาคือความจริงและความไม่จริงมาพร้อมกันในความทุกข์มันก็จริงแบบมันทุกข์มันไม่จริงแบบไม่ทุกข์ในความไม่เที่ยงก็จริงแบบมันไม่เที่ยงมันไม่จริงแบบความเที่ยงแต่คนเราไม่รู้ไปตู่เอาเสียใจเพราความไม่เที่ยง ท่นภาคจากของล่ของจะไปเป็นทุกข์รู้ไหมว่านี่คือมันไม่เที่ยงเรรู้จําได้อยู่แต่ว่าทําไม่เป็นเป็นทุกข์ควาเพราะของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะความไม่ใช่ตัวตนมันจะฟังเสียงใครไม่มีใครเป็นใหญ่รูปนามนี่ได้มันไหลไปอยู่นั่งอยู่นี่ก็ไหลไปอยู่ ไหลไปไหลไปจนหมดโอกาสห <c oughs> นังตาก็ไหลามางั้นไหลปีแล้วจนหมดเรื่องหมดแรงมั น, นแสดงออกถึงความไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆแสดงออกถึงความเป็นทุกข์แสดงออกถึงความไม่ใช่ตัวตนเห็นแจ้งจริง แล้วก็บรรลุธรรมด้วยเวลามันไม่เที่ยงบรรลุธรรมตรงนี้ยิ้มได้เวลามันเป็นทุกข์บรรลุธรรมตรงนี้ยิ้มได้บรรลุธรรมตรงที่ไม่ใช่ตัวตนเวลามันไม่ใช่ตัวตนนะยิ้มได้บรรลุธรรมทําให้เรา ไม่เป็นอะไรกับความไม้เที่ยงไม่เป็นอะไรความเป็นทุกข์ไม่เป็นอะไรกับความไม่ใช่ตัวตนมันต้องมีแน่นอนถึงขามันหายใจไม่ได้ถึงขามันปวดมันเจ็บไม่ต้องทุกข์า็หายใจไม่ได้ไม่ต้องทุกข์เพราะมันปวดไม่ต้องทุกข์เพราะมันตายเราไม่เป็นอะไรอยู่แล้วนี่คือชีวิตแท้ๆแล้วนะ น่าสุกเป็นสศกทุกเป็นทุกดีใจเฉยใจไม่ใช่ชีวิตใจไม่เงินเท่าไรก็ไม่ใช่ชีวิตชีวิตจริงๆมาเกี่ยวกับวันอื่นเป็นอยู่ในตัวมันเอง <Okay. S 1> นี่แหะได้จากความรู้สึกตัวเนี่ยประกอบไว้สร้างไว้ <c oughs> ให้มีวไว้มันจะไม่ไ ม, มันอิม่มมันเต็มที ม, มันอิม่มมันไม่เป็นอะไร มันไม่ร้องไม่มีที่นั่งหนีความไม่เป็นไรเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเป็นเจ้าชิวอยู่แล้วเหมือนจึงไมมไม่พร่องไม่พร่องเหมือนคนไม่หิวคนไม่หิวแต่มันไม่ใช่แบบหิวข้าวชีวิตมันไม่หิวแบบหิวข้าวอันหิวข้าวเป็นรูปเป็นนาม ชีวจริงๆไม่มีความหิวความพองอะไรนะจึงจําเป็นสาหรับเราเกิดมาเนี่ยยากเหลือเกินนะเกิดมาเนี่ยจิตโศมนุษย์สจจวีตเราโภคการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากเป็นลาบบรรพเซิดมาแล้วความชั่วก็ได้มาทําความดีก็ได้จะทําความชั่วก็ได้สําเร็จ จะไม่ทำความดีก็ได้ไม่มีอะไรบังคับกันนี่แต่ตัวบทกฎหมายถ้าอย่างดีที่สุดก็ชั่วที่จะผ่านชีวิตแล้วไม่มีประโยชน์อะไรบหานชีวิตก็มันยังไม่ถูกต้องมันชั่วมันเกิดจากอะไรชั่วเกิดจากความไม่รู้ให้ให้ให้ให้ประ ห, หารตรงนี้กันพระเจ้าข่าคน ทูเจ้าฆ่าผลประหารคนคนมันเป็นอันโน้นอันนี้มันหลายเรื่องให้เป็นมนุษย์คนตายไปให้เป็นมนุษย์ไห้เป็นพระตายจยริงๆความเป็นคนไม่โปล่เปไม่เป็นคนอีกแล้วฆ้าแล้วชินภูมิแห่งความเป็นคนแล้วไม่ภูไม่แพ้ ไม่อะไรทั้งสิ้นคือมันหมดไปแล้วชาติความเป็นคนจนเป็นพระประเสดนี่เราจะเป็นคนละมันชั้นชั้นดีเป็นมนุษย์ขึ้นไปสูงก็ไชิต ท, ทิมันอยู่ที่นี่จะไปสู่นรกอวยผมก็ได้จะไปสู่ สุคติก็ได้ไปสู่พโมโลกก็ได้ไปสู่มรรคผลนิพพานก็ได้ทางสี่แพง่งเรายือนอยู่แล้วเวลาเนี้ยยือนอยู่บนทางสี่แพงแล้วจิตที่เราจะไปทางไหนถ้าหลงเป็นหลงไ ป, งไปส่วบายแล้วไปต่ำลงไปแล้วถ้าหลงเป็นรูเป็นมนุษย์ขึ้นมานั้นหลงเป็นหลงหรือหลงเป็นรูเราทั้งหลายเนะี้ยทุกเป็นทุกหรือทุกเป็นรู ถ้าทุกเป็นทุกไปสู่อบายแน่น้องต่อลงไปแล้วเป็นคนร้อยเนตถ้าทุกรู้มันทุกเห็นมันทุกเป็นมนุษย์ขึ้นมาสมขึ้นมาหน่อยหัดเดินหัดทันล่าไปทั้งนี้ออไม่ให้เราเห็นอยู่เดี๋ยวเราข้ามล่วงได้ไหม แล้วลาเจียงนี้เกิดขึ้นข้ามไหมหรือว่าค้อยเอียงไปตา ม, มาแล้วก็หัดตนสองตนก่อนที่จะข้ามต้องฝึกมีสติไว้เป็นโทนก่อนถ้ามีถ้าไม่มีสติก็ง่ายและเหมืคน ล, ลอยล่ามมาเป็นก็จมคนว่าน้าเป็นก็มมไม่ค่อยจมถ้าไม่ฝึกมีสติ เวลามันหลงก็หลงง่ายรู้ยากทุ ก, ก็ทุกง่ายง่ายงนทุกยา ก, ยากทุกวันก็เสียเอาไม่ไหวเอามาอยู่เอามาอยู่แล้วคนก็โกรธออกมาอยู่เกิดมาเดิกกาา น, ดนะนกูก็มาอยู่มีเหมือนกันเดีวคนโกรธดึงไว้ก็มาอยู่หลุดมือไปตีกันจนฆ่ากันได้นล้วมันมันไม่ได้หัดทนสอน นเนอะเอร์นายไหมฟั<ห>งธรรมนี่ยอาตาเดียว <laughs> จะฟพ อ, พอมกัน